ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรี น, น, รกกร น, นห้าอายุตั้ง82แถมเป็นพระดังยังอุตส่ามีข่าวงามหน้าโดนข่มขู่เรียกเอาเงินแลกกับซีดีเฉา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 เหล่านี้ล้วนเป็นข่าวดีที่ขายออกทั้งสิ้นแต่ความจริงก็คือข่าวดีที่มันมันนั้นหายากกว่าข่าวร้ายที่เม้าเพลินเมื่อโลกมนุษย์มาถึงยุคที่คนเราเห็นข่าวเด่นพร้อมกันได้ทั้งประเทศทุกเช้าเย็นก็ไม่น่าปแปลกถ้าต้องเจอเครื่องฉุดใจให้ตกต่ำลงไม่เว้นเช้าวเว้นเย็นเป็นส่วนใหญ่นอกจากข่าวดีที่ถึงใจจะหายากแล้ว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 เช่นกรณีสามีในข่าวนี้บอกเราว่า 1. วัยไวไม่ใช่อุปสรรคทางเพศแต่อย่างใดแก่แค่ไหนก็เกิดข่าวทางเพศได้เสมออย่าพากันแปลกใจให้นักข่าวจับเป็นจุดขายในอเมริกานั้นด็เตอรสเตซี่ลินดอได้นำทีมวิจัยสำรวจทั้งหญิงและชายอายุระหว่าง75ถึง85พ้นปรากฏว่า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 ต้องดูเรื่องชั่วๆให้ได้ถึงจะต้องแลกกับการกำจัดกองเซ็นเซอร์ให้หมดไปจากโลกก็ตามทีบทความจากนิตยสาราธรรมะใกล้ตัวฉบับที่39อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรนรีรโซพา